พระพาราหันตาสมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นนาบัต้ได้เวลานั่งสมาธิภาวนาให้พากันนั่งคัดสมาธแสดงความองค์อาจกล้าหารในใจ ให้จิตใจในความเพียรความมันความขยันตต่นขึ้นลุกขึ้นในหัวใจอย่าปล่อยให้อำนาจถีณามิทธะความง่วงเหงาเหงานอนเข้ามาขับผมการนั่งสมาธิเลท่านมีระเบียดอยู่ว่าให้นั่งขัดสมาธ์เอาขาขวาทับขาซ้าย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 เมื่อมีความเพียรอะไรมันจะเหลือความเพียรดูพระพุทธเจา้าที่ด้านได้ตรัสสรุสรปเป็นพระพุทธเจา้าท่านมีความเพียรสี่อสงไขยแสนมหากรัมท่านยังมีความเพียรความมันขยนัน เอาจนสำเร็จลุล่วงไปได้นั่นแหละคือความเพียรความเพียรไม่ใช่คำพูดอย่างเดียวเป็นการเพียรทางกายเพียรทางวจาเพียรทางจิตเพียรหมดทุกอย่างแล้ววิริเยนทุกขมัตเจติบุคคลจะล่วงทุกไปได้เพราะความเพียร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 เมื่อมันยังไม่ตายจะไปถอยความเพียรก่อนไม่ได้ถ้ามันตายมนุษย์เผาไฟแล้วมันจึงถอยแต่ยังไม่ตายเราไปถอยความเพียรไม่ได้เตินขึ้นลบขึ้นในจิตในใจใครจะคิดโชวเหลวไหลให้เป็นเรื่องของเขาใจเราไม่ต้องคิด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 จิตมันอ่อนแอทอดแทนจิตมันคุนมัวมันไม่ใสพุทธโธไม่อยู่ในจิตจิตไม่เข้าถึงพุทธโธพุทธโธโยภายในใจสว่างแจ้งไม่หลงไหลไปตามคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลาย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 แม่พุทธโธคำเดียวก็ได้สำเร็จมรรคผลเห็นแจ้งคณิภานเพราะอะไรเพราะองค์นั้นผู้นั้นทำจริงๆริปฏิบัติจริงๆริงภาวนาจริงจริงตั้งจิตตั้งใจจริงจริตั้งเนื้อตั้งตัวจริงๆริเอาจริงเอาจังทุกอย่าง <c oughs>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 มันไม่จริงอย่าไปถอยความเสียนโดพระสาวกในขั้งพุทธการท่านทำจริงท่านเดินจงกรมอย่างเดียวเอาจนได้สำเร็จมรรคผลเห็นแจ้งพรนิภาท่านทำอย่างไรคำว่าจริง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 ไม่ยอมหยุดไม่ยอมนั่งถานั่งมันใครหลับหลับตาก็ยิงลายใหญ่เดินเอาอย่างเดียวเดินไม่รู้ว่ามันนานเท่าไรละเดินจนหนังเท่าแตกเลือดไหลเดินไม่ได้แล้วเราท่านทางหลายผู้นั่งภาวนาอยู่นี่เดินเท่าแตกเลือดไหลเดินไม่ได้มีหรือไม่เห็นมี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 เมื่อเดินไม่ได้ท่านยังไม่ถอยความเพียนถ้าเราสมัยนี้ถ้าถึงขนาดนั่น็นอนแผ่แล้วนะไม่เดินอีกต่อไปไม่ภาวนาอีกต่อไปแต่ท่านไม่ยอมเมื่อเดินไม่ได้เขายังมีมือยังมีคานเอากันว่าอย่างงี้ทีนี้ก็คานเดินจงกลมไปกลับไปกลับมา ไม่รู้ว่ากี่ข้างกี่ขน ล, ล่ะเขาแตกหนังเขาแตกไปช่างมันไม่ใส่เข่าเราเข่าของกีเลศมือแตกแตกข่างมันเดินไม่ได้มันเจ็บแตกเลือดไหลเราได้คานภาวนาจนแตกเลือดแตกออกไหมไม่มี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 ทีนี้คานไม่ได้ทันทำอย่างไรท่านก็มไม่ต้องนอนแต่ท่านนอนขวางทางจมกลมแล้วไม่ใช่นอนนิ่งๆให้มันหลับพลิกเหมือนกับเดินจมกลมในทางนั้นอีกมันเหยียดยาวลงตั้งแต่หัวถึงตีนทีนี้มันก็ไม่มีที่ไหนแตกแลนกลิ้งไปพลิกไปจนสุดทางจมกลม เล่งกลับมาอีกเอาอยู่อย่างนั้นไม่รู้กี่ครั้งกี่หนนับไม่ั่วัวนตั้งใจลงไปท่านไม่ยอมให้มันหลับมันไหลแมมันฟุ้งซ่านไปที่อื่นเท้ามันเจ็บก็ไม่ไปยึดถือเขามันแตกก็ไม่ไปยึดถือมือแตกก็ช่างมือมือผีหลอกมนหลอกให้หลง เขาผีหลอกเท้าผีหลอ ก, ลอกท่านไม่ย่อท้อใจไม่ย่อท้ออันนั้นแหละเรียกว่าความเทียนไม่ใช่คําเทียนพูดปลายเล่นเท่านี้ท่านมีความเทียนจริงๆไม่ยอมให้มันนิ่งค่ะมันนิ่งมันก็ละพลิกไปกลิ้งกลมไปเลือ่อยมันจะตายก็ช่างสิง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 ก็เพราะจิตอันนี้ไม่มีความเพียรไม่สมกับพุทธภาสิทว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติบุคคลจะล่วงทุกไปได้เพราะความเพียรไม่ใช่เพียงคำพูดวาจาที่เป่งออกมามันเป็นการกระทำทั้งหมดนั่นแหละโดที่ท่านทำจนกระทั่ง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 มันก็ได้แค่โล ก, กียสุขเท่านั้นไม่ถึงขั้นภาวนาละกิเลสไดนะ้จงตั้งใจบำเพ็ญภาวนาเลื่นตาดูกายวาจาจิตของเราเองอย่าไปมัวเล่นมัวขี่คุยอยู่พูดอะไรต่อมีอะไร ให้ภาวนาละกิเลสไม่ได้ได้แต่ขี้คุยมีขี้อยู่ในหัวใจขี้โกรธมันก็โยนี้ขี้โลภมันก็โยนี้ขี้หลงมันก็โยนี้มันไม่ลุกขึ้นภาวนาทำความเพียรมันมีแต่ความอยากมีแต่ตัณหาตัณหามันหามาตันไว้มันหามาปิดมาบังไว้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 องบำเพ็ญทานรักษาศินภาวนาบารมีสิบบารมีสามสิทธัตเตมบริบูรณ์ทุกส่วนทุกประการเมื่อถึงขนาดนั้นไม่มีอะไรเหลือล ะ, ละกิเลสลาคะก็ได้ละกิเลสโทสะก็ได้ละกิเลสโมหะก็ได้ไม่ได้อย่างไหนท่านมีความเขียน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 ไม่มีมนุษย์และปะดาอินพรมที่ไหนมีความเพียนเหมือนพระธิดาสรูพระอนุตตรรัมมาสัมพโพธิญาณเป็นพระองค์เองไม่มีใครมาเที่ยม้ายพระองค์มีเคียนเองความหมัน่นความกัิความอดความทนพระองค์ฝึกฝนอดปลอบใจของพระองค์มียาเฉลียวฉลาด ที่ความสามารถอาศฐานทุกสิ่งทุกเหมือนกับว่าผืนแผ่นหนักเท่าไหร่มันเอาแผ่นดินดินลอยได้นั่นล่ะคือว่าใจพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีเทียนใจพระปัจเจกพุท ธ, ธิเป็นผู้มีเทียนเจตใจพระอาราหารันตคินาสกเจ้าทั้งหลายเป็นมีความเทียน ใจของพระโสดาพระทาคาพระอนาคาท่านมีความเพียรความมากอาถานไม่ใช่เขาเหงานอนฟุ้งซ่านลำคาโลภโทสะเพิ่มเข้าไปทุกวันไม่ละกิลาคะโทสะโมหะไอให้มันหมดสิ้นเมื่อจิตไม่ตั้งจิตไมอ่อะไรมันก็ไม่จริงหมดละ ถ้าเจตเราจริงๆทำจริงๆแล้วไม่มีอะไรหนักเท่าันก็เอาแผ่นดินปิวความเพียรความหมั่นขวาหยันความตั้งใจไว้ดีประกอบในสิ่งที่เป็นบุญหุศลเจตใจจะไม่ส ง, งบไม่ได้ก็ทุกสิ่งทุกมันเป็นไปในทางที่สร้างสรรค์ ผลอบรมเท่ากันก็ว่าในตัวของผู้นั้นมันมีปีกมีหางมีเครื่องยนต์กลไกเหมือนแผ่นเหมือนเครื่องบินมันบินไปในบนบนอากาศได้ทำใม้ไปได้เพราะมันมีปีกมีหางมีอภรบทุกอย่างเมื่อมันพร้อมทุกอย่างทั้งของวัตถุมันก็ไป เราไม่เห็นหรือเครื่องบินบินไปบนฟ้าบนอากาศตัวเราธรรมดาทำไมไม่ได้มันไม่มีเครื่องความเพียรความมันขยันความตั้งใจดีช่อไม่มีทายโทษอะไรคิดอะไรนั่งอธิภาวนาหลับตาภาวะมันก็ได้ชั่วเน็ดเมนดในนอน เมื่อความเพียรนี้ก็สร้างความเพียรให้เกิดขึ้นพุทในใจลหลงไหลไม่ต้องต้องลืมนั่งก็พุทโทในใจนอนก็พุทให้ใจเดินก็พุทโธในใเดินไปนาไหนาก็พุทโทในใจไหนก็พุทโทในใจกิเลสโลเลสให้หมด โลเลทางตาโล่ทางหูโลเลทางจมูกทางกิ่๋โลเลในอาหารการกินเลิกละให้มันหมดกายวาจาจะมันเต็มไปด้วยความหมันของขยันขันแข็งความสามอาถรรพ์มอแพรอ่อนแอในหัวใจเหลียวเป็นคนดีใจงามใจฉเฉลียวอาดสามารถอาถรรพไม่เป็นคนเน่า คนใจใจเหม็นอยู่ที่ไหนก็เน่าที่นั่นเมนนะั้นสีนสมาธิปาวิชาวิมุตตไม่ทำให้มันเกิ ด, ดมิลไมแต่เน่าเรื่องเหม็นเรื่องโมโทโซฟุงซ่านลำขาดไม่เลิกไม่ละความโกรธไม่เลิกไม่ละความโลภ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 จิตมันมีความสามารถอาถารพ์จิตมันไม่ท้อแท้อ่อนแอจิตมันมีสติสำปะชัญญะมีสติในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเมื่อจิตมันมีสติมีสมาธิมีปัญญามีญาณอันวิเศษ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 ข้าเป็นนั่นเป็นนี่เป็นอะไร ม, มันก็เป็นไปสู่ความแก่ความชราเป็นไปสู่ความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นไปสู่ความตายเหมือนกันตายแล้วมันมีวิเศษวิโสอะไรยังไม่ตายมันวิเศษวิโสอะไรีิเลสเหล่านี้ให้พากันลุกขึ้นตื่นขึ้นอย่ามามัวนั่งนั่งนอนๆอ น, น, อนเล่นอยู่เปล่า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 เกิดมาทำไมเป็นชายทำไมใจไม่แก่กล้าสามารถเหมือนพระพุทธเจา้าเป็นหญิงทำไมหญิงไม่แก่กล้าสามารถเกิดมาทำไมตายเสียดีกว่าเปลืองเข้าศกขนาดนี้นตั้งอกตั้งใจมันจะเน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวขนาดไหน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 มันจะได้อะไรมันได้แต่ความขี้เกียจขี้ทานมักง่ายท้อถอยกลัวตายอยางใจมันไม่ลุกขึ้นไม่เพียรถึงขนาดนั้นพระสาวกเจ้าทั้งหลายในครั้งพุทธกาลท่านเดินจมกอมภาวนาทำเพียรอย่างเดียว จนนอนจมกลมแล้วก็ได้สำเร็จไม่สำเร็จมันไม่เยอเหลือแหละเอาถึงขนาดนั้นลหละมันได้ทุกคนนั่นแหละนั้นทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกเราท่านทั้งหลายต่อไปอย่าได้มีความท้อแท้อ่อนแอในวัวใจให้พระกันตื่นโยลุกขึ้นมา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 นั่งก็ภาวนายืนก็ภาวนาเดินก็ภาวนาอยู่ถ้ำอยู่กวนไปไหนมาไหนไม่ปล่อยให้ จ, ใจิตใจล่มหลงมัวเมาไปอยู่ใต้อำนาจกิเลสจงพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาไม่มีใครจะไปทำแทนกันได้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 ไม่มีใครที่จะช่วยตัวเองได้ดีเท่ากับตัวเราเองแม่พระพุทธเจ้าท่านก็ทรงกลัดว่าเราตถาคตเป็นผู้ตรัสผู้บอกผู้สอนสาวกทั้งหลายผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายต้องเอาไปทำความเปียนละกิเลสในจิตในใจของตน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 มีความอดความทนมีความเพียรความหมัน่นมีความกยันขันแข็งไม่ท้อแท้อ่อนแอในหัวใจในจิตในใจนะั้นกายว่าจามันก็ไม่ท้อแท้อ่อนแอเหมือนกันใจเอากายว่าจามันเอาทางนะจิตมันเป็นนาย ร่างกายมันเป็นบบาวแคร่าลาบสะดอถ้าจิตมันสั่งการให้ทาให้ปฏิบัติให้เลิกให้ละละได้หมดเลยนั้ น, น, นพุทธภาสิทธิ์ที่พระองค์ทรงตัดไว้ว่าวิริเยนะทุกขมัดเจติบุคคลจะล่วงทุกไปได้เพราะความเพียร พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็เพราะความเพียรพระอริยสงสาวกเจ้าทั้งหลายท่านได้บรรลุมรคผลเห็นแจ้งคณิพานท่านก็มีความเพียรความขี้เกียจขี้คานมักง่ายทันละทิ้งปล่อยทิ้งตัดทิ้งเอามันเด็ดขาดลงไป ความเพียรมันก็เกิดขึ้นเต็มที่ไม่ว่ากิ จ, จกรรมการงานใดๆทายนอกภายในเมื่อมีความเพียรทำได้ปฏิบัติไนดะ้ทุกอย่างไปบาพระออษุที่เจ้าสอนว่าไม่ให้ทำแล้วก็เลิกในกายวาจาจิตของเราห้เด็ดขาดลงไป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 เมื่อเราเลิกได้ละได้ปล่อยวางได้ใจของเราเองก็ได้คือว่าแจ้งใสหมดจดสะอาดคล่องตัวคล่องแคล่วว่องไวไหวพิตเฉลียวฉลาดเฉียบแลมโลจักูกแจ้งูกจริงูกแจ้งแทงตลอดในโลกในทางโลกและทางธรรม มันมีอยู่ในหัวใจทุกคนแหละแต่ว่าทุกคนไม่เพยยี้ยนพยายามาทุกคนมีความเพียรความมันความข ย, ายามันขันแข็งสามารถอาฐานแล้วก็ย่อมสำเร็จลุล่วงได้ทุกทวนนาฉะนั้นดวงจิตดวงใจของเราอย่าได้ประมาทต่อไป ประมาทมาแล้วก็ให้แล้วไปตั้งแต่เดี๋ยวนี้ขณะนี้ปัจจุบันนี้เป็นต้นไปเราจะไม่ประมาททุกลมหายใจเข้าออกมารณกรรมาฐานพุทอในดวงใจไม่ให้หลงลืมฉะนั้นอุบายธรรมต่างๆดังกล่าวมานี้เมื่อว่าเราท่านทั้งหลาย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 สุขีเทคายุโกภะอภิวาธนาสีริสนิจยังบุต ธ, ธาปจายโนยัตตารโรธรร ม, มาวัทันติอายุวันโนสุขังภาลัง